กิเลกเ็นั่นตายกิเลสก็นตายการเหยียบของกิเลสทางลงในป่านั้นในเขาลู้นั้นในเขาหลงนี้ที่ว่าสําเร็จมากผลนิพพานาเราสําเร็จเป็เปปปเปาานเรื่องของกิเลสสาเร็จไปด้วยความโลภความโกรธความหลงสําเร็จไปด้วยราคะตัณหาสําเร็จไปด้วยความขี้เกียจขี้คลานความอ่อนแอทอดแ่เ ห, หลื่อยไหลมันสำเร็จไปงั้นนะพวกเรา มันสำเร็จไปตามทางท่านนะมันสำเร็จย้อนลูกศรกับพระพุทธเจ้ากับศาสนธรรมมันสำเร็จแบบคนตาบอดโดนไม้ทั้งตน้นหันหน้าหันหลังให้ต้นไม้ยั้งหันหน้าแป่หนนขอบเขตแจักรวาลแล้วนี่สมหวังแล้ววันนี้วะพยายามจะโดนมันนานนะไม้ต้นนี้นะ่ะเห็นไหม หันหน้าดาูต้นไม้ต้นไม้มีทั้งโน้นหันหน้าทางโน้นอีกนั่นพวกนี้ผสมหวังวเปล่าผสมหวังพวกหน้าผากแปกน่ไม่เห็นความค้นความแท้อของถุนต้นไมามันติดอะไรโดนออกหมดทั้งค้นทั้งแทกของคนตะบอกมัน โดนมันจะเป็นอะไรจนมากตรง น, นั้นถ้ามัอยากให้หมดตั้งโคตรมันมีแต่คนห้าผากมันงานกันมือจีนกันหมายก็มาเกี่ยวข้งองต้องจะพูดในหมู่คนสั่ง กาสตางธมยตลาดหามกขคนวิภานกขาบอก่ีล้วยเนี่ยระยะปฏิบัติปฏิเวษจี้นี่นะตลาดหามกขคนวิภานอยู่ตรงนี้เาสดร้อนๆอย่างนี้สมัยนู่นสมัยนี้ไหนทำไที่เรดมันลาบไปวาดภาพเหล่างงอือตัวตลาดมกขุนวพานมันได้หันหลังใส่ซิเพราะมันหันหน้าถามพิเรศ เ, เราก็เรื่อยหารหน้าลงตุดไปรักปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยจะไปไหนวาวคือไปรักเกลียวอย่างหนามมันมีแค่คาดอย่างนั้นเพราะผมก็เรียนยังไม่เข้าใจาคือเราเรียนด้วยเราปฏิบัติ ด, ด้วยแม้กั่งมันก็ไม่ได้คำพูดทั้งสองอย่างนี้มาเชื่อมเรียงกันถ้ามีแต่เรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติ มันก็จะมีเกิดเรื่องความเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวเรื่องการเรียนอืนมภาพปฏิบัติเรื่อความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นอย่างไงเนี่ยเกิดขึ้นจากเรียนเป็นยังไงเกิดขึ้นจากการเรียนเป็นความจังเนี่ยมันรู้เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นความจริงเนี่ยเหมือนอําเราวัดตาวันตาเนี่แต่ก่อนแล้วไม่เคยเห็นพอไยินคนว่าวัดตาวันตานี่เราจะต้องว่าดภาพนี่เราวัดตาวันกานมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วใครเป็นสมภานเจ้าวาด ก็เป็นอย่างนั้นนั่นนี่ลักษณะท่าทางอย่า ง, างนั้นๆนั่นนี่เป็นภาพความจํามาจากผขุดที่เ่าให้สั่งแล้วภาพมันจะขึ้นตามความจําเลยภาพหลอก น, นี่พอกล้าเข้ามาวัดปราัิตางนี่ได้เห็นตลอดทั่วถึงนล้ไปยังไงภาพนั้นจะล่มไปทันทีเลยแล้วเราก็มาเคยเห็นทัโทั้งมันที่ภาพนั้นหลอกเราว่าเป็นอย่างนั้นนั่นกับความจริงนี้มันเข้ากันได้ไหมเราก็มาเคยเห็นทวทั้องมันเพราะฉะนั้นต่อไปมันจึงหลอกเราอี มาพบครูบาอาจารย์เส้นหลงผมมิจฉาวาที่นี่มาพบผมเนี่ยเป็นยังไงคือภาพที่วาดเกี่ยวกับเรื่องผม้องก็ล้มไปหมดเพราะมันคู่ความจริงไม่ได้พอมาเจอเขาภาพความจริงจะต้องเป็นหลักอันนั้นจะต้องล้มไปเนั่นความจำเวทความจริงมารวมที่ไม่สงสัยเอาไปัหนพูดได้เต็มปากสวัดนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงแล้วการพูดสุนทรนาคทีกันเรื่องอะไรไหลเป็นยังไงพูดได้หมดจริง เพาเป็นความจริงเห็นด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองทั้งสถานที่วัดทั้งกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในวัดนีน้ทั้งเรื่องราวทุกพูดสนทนากันว่าอะไรพูดได้อย่างเต็มปาก น, นี่คือความจริงเราเรียนเหมือนกันพรเรียนนี่มันจะต้องว่าดภาพหนระอเงี้ยพอภาพปฏิบัติเจาเข้าไปมันปรากฏความจริงขึ้นมาปรากฏจริงขึ้นมา ที่นี่คือ ว, วาดภาพไว้ก็เหมือนรางวาข้าพเขตอบคำามล้มไปล้มไปล้ม ไ, ไปตา ง, า, างกันโดยลำดับธรรมดาความตั้งความจริงเต็มที่คํามําก็ล้มไปหมดเรื่องวาด่าพหรือความจริงต็งห ม, าาม ห, หัวใจทำในวงปฏิบัติ มันต้องดิ้นชั่งความระพ้อะไรมากงั้นหนึ่งทำให้เงินไม่หลงนะในขัง้งพุทธการก็นี้จริงๆียใ น, นตํมามะต่างๆคือสําคัญตรงเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือทางไม่เคยเดินก็ไม่ทราบอะไรจริงไม่จริงกรไหนมันก็ต้องชั่ความเป็นพิจารณามากกึ้ว่า นี่ก็เคยเป็นแต่มันไม่ถึงกับให้ตั้งเป็ น, เ, ปนเวลาเป็นชั่วโมงจริงนาทีนาทีอะไรมันเคยเป็นมันพักคุณมาแต่ว่าสิ่งที่จะลดล่างมันมันขึ้นเร็วนี่เพราะเราก็ใช้ปัญดาอยู่แล้วนี่แล้วเราไม่ควรจะไปตาใจกับอะไรง่ายต้องให้ปัญดาพูดตับสินเมื่อมันเต็มหัวใจแล้วมันก็รู้เองนะเมื่อ เ, เต็มหัวใจแล้วรู้เองรู้เองอะไรที่ยังมีแง่อะไรอยู่นั่นนั่นมันนั่นม่จริงเนีไง มันมันมันตัดจินนั่นไปนั้นไปก่อนเลยถ้ามันจริงแล้วมันจะมันมาของมีแห่อะไรเนี่ยแล้วก็เป็นเครื่องลบล้างความสงสายภายในตัวว่ามันยังไม่จริงเนี่ยมิวผมเคยพูดเลยครับตรงนั้นผมจําได้ก็ตังคือทุกวันนอย่างนี้ไม่รู้ถ้าที่ร้านต้องหินนะผมก็เห็นนักกระทั่งตัวนี่จะสึกแล้วแ่วัน ที่น้องกายพี่แจ๊เคยอยู่กับท่านจันกู่ถ้าองค์นี้นะ่ะแต่ดูลักษณะภาพทางของแกกันเป็นคนดีนะแต่นิสัยนั้นยังมีอยู่นะนิสัยที่คงไปคง ม, มามาันมาอยู่ที่น้องกายกับท่านจันกูที่ผมก็อยู่ที่นั่นก็ไม่คุ้นเใจจำแ ก, แ ก, แกนักเพราะผมถึงไม่ได้จึงไม่ได้ถามเกับเรื่องนี้เป็นไปเบียงว่าเอาคําที่เรา หละมาบินิชัยตัวทั้งแกนอ่ะมาเทียบเทียงกันกันกบความกาานินก็ถ้าอาจารย์ปู่นี่เองเล่าผมฟังเรื่องพระองค์นี้น่ะพระอรหันต์เนี่ยไปเที่ยวกรุงธรรมทานใยการตั้งอำเภอพูยงน่ะแกคนนี้แกอยู่ค้นแก่แเพราะเชียได้นัะะ่นปเป็มีความรู้แบบแปลกดีนะถ้าว่ามีผู้คอยแนะนำเดี๋ยวนี้นแกจะไปได้ น่าจะได้ความรู้แกมีความรู้ปิดย่อยนะแต่แะไม่รอบนะในปีด ย, ย่อยความรู้ปิดย่อยของแกน ะ, นะไปตอนตอนนั้นไปด้วยกันสามองคดึกดึกดึ ก, ด ก, ดกส ง, งัดนะ จ, งงจะทำน้ำจะโอ้จิ๋มกันลองเลย <laughs> ล<ง> <laughs> อผิดหงมาแล้วกโอ้โหมันเข้าใจว่าเป็นภาระหันนะ <laughs> จะทำอะไรตั้งแต่ในหมู่เพื่อนข้ากคิดถึงไม่เกิดกล่องยานัดเป่าๆอยู่ในย่ามมือล่วงเข้าไปก็เอากล่องหยานักเป่าออกมาก็มาเป่าหมูเพื่อนแบบนไอ้น้ยด้นวิ่งอะไรผมสําเร็จแล้วนจ่นสัมฤทธิ์อะไยังต้องจำยังต้องป่านกบิเราก็มาด้วยกันต้องต้องอะไกันทราบบาทีกุ้ตายว่ะอาอะไรแต่ที่ว่าตัแต่ช่วยทำไปช่วยนะแต่ถ้าไม่กล้าพูดเลยมันกุ้ยตายอาหารผีบ่าย ได้ดีอย่างหนึ่งนะพะวันหลังอีกดึกซะงดอีกแล้วว้ดขึ้นอีกเออถึงไหนนะมากันจะมาหรืมายังไงก็รับผิดชอบกันเนี่ยไปแล้วกันดูบนภูเขาด้วยนะบนภูเขียวเนี่ยลังไปไปกันแบบก้าวขาไม่อยากออกกันแหละมันเมื่อยล้าไปหมดถึงขั้นไหนแล้วที่นี่หวังอันเนี่ย สำเร็จถึงขั้นไหนนะโลกตะวกนตกในหรือว่าจะถึงขั้นไหนนะก็บอกกงนี้นะนั่งก็พูดกงดีเนะมันจะถึงขั้นไหนก็มันไม่สำเร็จเนี่ยไม่สำเร็จเป่าเลยก็เมื่อคืนนี้เข้าใจว่าสาเร็จก็เป่าวันนี้ม่าสเร็จก็ต้องเป่าผมก็สองจานสามจานดูดีนก็ดีอย่างหนึ่งนะล่ะกูฟงยิงวันสาเร็จเข้าใจว่าสำเร็จก็เป่าดุกิเลยมุว่าก็โอยแต่มาแล้วนึกว่าเกิดเรื่องอะไร มาถามที่ไหนอกบีอะรหันอะไลังดึกใส่ก็ดีอะไรอีกนะท่านอ่นี้อะไรสาคัญถวันนี้จเป็นก็ต้องมาถึงขั้นไหนแล้วกันอ่นี้วะจะถึงขั้นไหนวะไปสาเร็จหร่อเปล่าเพราะต้งแตก็เป่าทาไมม่สำเร็ก็เป่าอะไรอะไรเก็เป่าก่อนเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เขาจะสเร็จก็ยังเป่าแล้ววันนี้ไม่สาเร็จก็ต้องเป่าว่ามุกนเ้่อโอ้อะโฟกัสในใจ อันนี้ว่าทั้งพรวนาเอาอยู่แล้ว น, นนะอย่างนี้พอจิตรวงลงไปเหมือนแสงพระเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยตกลงมาตรงหน้าเจิตมันสว่างออกไปน่ะคือกระแสของจิตเจ้าของอย่างไม่รู้นั่นคืออาการของจิตเห็นไหมโหเหมือนกับเท่ากับดุงเท้าเนี่ยจีตตรงหน้าเนี่ยสว่างจ้าหรืเป็นดวงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดเลยนี่กําหนดจับ ทีแรกก็คงจะยังไม่เอามือเอื้อมออกไปท่านนะจะ ก, กําหนดภายในใจพอกําหนดกะระจำปรากฏว่าดวงสว่างนันขยับออกไปทีนี้ลุกจากสมาธิไม่รู้เลยนะนี่มีแปลกนี้นะลูกจากสมาธิตามไปแล้วดวงสว่างก็ไปนึกแต่ไปตามไปเลยเนะี่ยเดินไปเลยนะฮึฟังเนี่ยแล้วดวงสว่างขึ้นต้นไม้ากขึ้นด้วยเลยนะี่ขึ้นต้นไม้ด้วยเนะี่ย คนเขาขึ้นไปในเดชะนะก็ยังดีอีกหนึ่งชะตายังไม่ขาดนะดวงสว่างเลยเหาะวู้ไปเลยก็มองไปจนกระทั่งรับสายตาหายเงียบไปเลยที่นี่ก็หมดหวังใช่ไหมละ่ะหมดหวังจี่ก็ยอดมาหมดหวังจิตก็ยอดมานี่แหละความ ร, ามรู้ความรู้ยอดมาที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้หนึ่งก็ร้องไห้โห่เกิดไว้ไปอะไรลอยไปตามแสงตสว่าง วก็ใจไหวาดวิากขึ้นแล้วทวไมใจไปจหวาดวิลาลงลงอะไรเหาะไปนู่นแล้วร้ <c oughs> องไห้โว่ตองนี้นะมันก็เป็นอย่างนั้ น, นเป็นความจริงนี่จะหวังอะไคกรขันดีไห ม, มทำไม่เราพออถ้าถ้าลองย้อนสิดเข้ามาสู่นี้อันนั้นมันก็หายเงียเพราะมันเป็นกระแสของสิด ผมเคยเป็นช่วงระหว่างที่มันพุ่งเหมือนม้วงไฟเขาเรียกว ง, งไฟดอกด้วยอะไรท่านี้เขาเรียกไฟพผนียงนั่นอ่ะที่เขาจุดมันฟูฟูนพุ่งขึง้นพุ่งขึง้น่ะเขาเอาพวกเหล็กพวกขังอะไรนะมะนั่นบดให้ละเอียดแล้วก็ทําเป็นม้งไฟดอกเนี่ยที่ฝังไว้ดินนั้นแล้วขึ้นฟูฟูฟูฟูไปนะ่ะแต่แต่ แสงสว่างของกิ่นนี่โอ้มันนิ่มนวลพูดไม่ถูกนะเป็นเหมือนกันพอกําหนดดูมันสว่างโอ้ทำไเปลี่ยนนี่กิ่นนี่วะนัดที่แรกหลงมัน่ะแต่ยังเรายังคอยดูมันจะเป็นยังไงแสดงอะไรไพอเรากําหนดแล้วทำไมเปลนนี่มันพุ่งพุ่งึ้นพุ่พุ่งขึ้นแล้วก็ตามดูมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยที่นี่พุ่งขึ้นเรื่อยเรือยเพราะเราดูด้วยปัญญานี่นะแล้วไม่ดูด้วยแบบเชื่อทีเดียวมันเป็นยังไงเ้าดูมันไปมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยพุ่งโน่น ตรวจเมกหมดอ่ะดูสิอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอวะทีนี้เราก็กําหนดย้อนเอาคนยย้อนลงไปเมื่อไรมันเป็นยังไงอันี้ที่แรกมันก็ออกไปจากจิตเนี่ยแค่เนพุ่งพุ่งพุ่งกันไปกาหนดจิตค่อยค่อยจิตย้อนลงมาย้อนมาอันนั้นมันก็ค่อยค่อยอ่อนลงอ่อนลงต่ําลงต่าลงความสว่างนันนะหดลงหดลงค่อยคอย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเพราะเป็นภาคที่เราปฏิบัติเราไม่ได้เชื่อมันนี่มันก็เป็นเหมือนก็ว่าเป็นเครื่องทดลองให้เข้าใจ แต่ว่าลาศลากก็เป็นหินรับปัญญาเราค่ อ, อยถอดถอดจิตเข้ามาถอดจิตเข้ามาย่นจิตเข้ามาเรื่อย อ, อ, อันนั้นก็ค่อยหดลงมาหดลงมาก็มันเป็นกระแสของจิตพอจิตเข้าถึงตัวกึกอันนี้อันนั้นก็หายเงียบไปนั่นเป็นอย่างนั้นเองออาการจิตพิสดานมากคิดหลงหลงอย่างนี้เองเนะี่เราก็รู้ไม่ไปถึงไหนเพราะเราไม่ได้หลงมันนี่มันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครื่องทดสอบกัน ถ้าเราไม่หลงแต่อย่างเดียวก็เป็นเครื่องทดสอบให้รู้เรื่องอาการทั้งกี่นเพรามันเป็นประดานหลายแง่หลายกระทงมากทีเดียวอีกผมมันพูดไม่ถูกมันเป็นหลายแบบนะอย่างรวมมีเหมือนกันมีอย่างแบงสงบกลงไปแบงค์สงบกไปมันก็เป็นน้ำมันบเวลามันจะเป็นน้ำมันแบบเพิกเลยแต่ส่วนนั้นมันจะมักจะเป็นเวลาผ่าขนนะเวลาชาจะปัญญาให้มากเพราะชาต่างติมที่มันเป็นนั้นได้อย่างนั้น เป็นในสองอย่างแล้วอย่างอุคโตมันก็ฝูกเราก็ไม่คิดไม่ตั้งตกแต่งนะมันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันนักเป็นในหลักธรรมชาติในภาคปฏิบัติที่ถึงวารใดทึงเหตุการณ์ใดที่ควรจะแสดงออกมามันก็แสดงออกมาเองเหนี่ยวมันค่อยค่อยสมบตัวก็ไปสมบตัวไปนี่มันก็เป็นแต่แค่นี้มันไม่ค่อยอานฐานนะแค่นี้ที่มันอานฐานจริงๆก็คือเรื่องของปัญญา มันสงบลงด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยใหม่อันนี้อาจานมากนะแล้วมันประจักษ์ใจแล้วประทับใจด้วยนะอาจฐานก็อาจฐานประทับใจก็ประทับใจถึงใจคุณหนึ่งไงนะความสงบในเป็นพื้นฐานสมาธิที่เราเคยเป็นอยู่นะนี่มันไม่มีอะไรถ้ราพูดตามปกติอย่างผมมันเรื่องสมาธินี่มันทํานานมากจริงๆหนดให้อยู่เมื่อไหร่มันหยุดได้เลยพราะมันอยากจะหยุดอยู่แล้ว มันขี้เกียจพ อ, อกาหนดเข้าไปนั้นแนวแล้วหายเงียบไปหมดอะไรหายเงียบหมดเหลือแต่วความรู้ล้วนๆดิ่งอยู่อันเดียวเท่านั้นที่ในร่ากายเป็นสมาธิที่เดียไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเหลือแต่วความรู้แนว่วแล้วสุดท้ายกับวันนี้แหลนี่พ่านจะคงนี่แหละคงนี้แล้วเลยอยู่นั่นไม่ได้ลืมหมดเวามันเป็นสมาธิด้วยอนานาจของปัญญานี้มันต้องไเห็นได้ชัดมันสว่างกระจา่างแจ้งมันอาจมันหานพูดไปถูกประจับใจประทับใจไม่ลืม คิดว่าเพิบมหนึ่งเหมือนกันมันเอาเต็มที่ของมันปันญาหวานเล่าเข้ามาจนหมดแล้วมันมีบางปาร์คเพิ่มลงเลยหายเงียบไปหมดทั้งกายไม่ทาบไปไหน ท, ทั้งที่กายก็นั่งอยู่งั้นแหละมันมันทั้ไม่รู้นี่มันไม่รับทราบกันรับทราบได้แต่ว่าสัจจะวารู้นี่นะถ้าจะว่ายลูกยิงบนั่นก็ไม่ถูกอีกแหละกับธรรมชาตินั่นนั น, น, นสัจจะวารู้และอัศจรรย์ ไม่มีอะไรเข้ามาเทียบถ้าเทียบมันจะเปลี่ยนจากความเป็นหลักธรรมชาตินั้นทันทีเราจะไปหาปรุงขัดแต่งอะไรเอาเฉพาะความพอดีที่มันปรากฏอยูุคนั้นเป็นยังไงนั่นคือเป็นหลักธรรมชาติมันเองเราจะเอาอะไรไปเทียบไม่ได้เวลานั้นเป็นสองขึ้นมากันทีต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติขึ้หนหนวอสักแปว่าปลากรดขึ้นว่าสักแปลว่าจริงๆนั่นแหละความรู้เนี่ยสําคัญมากนะสักแปลว่าปรากฏและอักขระ ตั้งแต่อวิชาครอบหัวมื อ, อนั่นนะ่ะอวิชายังไม่ได้ออกจากมันมันมันยังแปกกระลาขนา้นีนี่ไอ้หัว อ, อวิชามันแตกกรเดินมันเป็นปุยปล ง, งหมดลงดูสิ่ดีจะเป็นยังไงใครจะได้คาดไปถูกพูดไปถูกนอกจากวงสมมติมดแล้วแต่ไม่นอกจากธรรมชาติตัวเองที่รู้ตัวเองน่ะถทารัท่านบอกทําที่ติโก้คือธรรมชาติตัวเองรู้ตัวเองพอเหมาะพอดีกันอทั้งน <laughs> ันมีอะไรเข้าไปเพิ่มไปลดลงได้ห มันธรมชาติแท้เอาละมันเกนั่นแหลาฮ่